ท่านหลวงพ่อได้เทศแล้วเนี่ยนะครับมีคำถามเรียนถามมานะครับว่าคนส่วนใหญ่เวลาเกิดความโลภโกรธหลงแล้วมักไม่รู้ตัวเห็นแต่กิเลสคนอื่นไม่เห็นกิเลสตนเองอยากให้หลวงตาเนี่ยใช้แนะนําคนที่ไม่เคยปฏิบัติควรจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับก็อย่างที่หลวงตาได้บอกแล้วเริ่มต้นก็คือท้างทางตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่หลวงตาเป็นผู้บอก ปอาหยาดลมพิสนารมีสติเห็นกายทุกคนก็มีกายมีกายอยู่แล้วให้มีสติรู้สึกตัวากายเคลื่อนไหวไปมาอย่างที่รองตาสอนเรต้นเอากายเป็นนิมิตเป็นที่ตั้งหรือเอาลมหายใจเดินจงกรมกลับไปกลับมาร อ, องตาเวลานี้ก็เดินจกงกรมวันละหมื่นเกมืเก้าทีเดียวเดินในใตอนเช้าน่ย เดินช้าไม่ได้จูมันกัดโอ้นาทีหนึ่งได้ร้อยเก้าเช้าโมงกึ่งแล 6, ้ว6 9 0หันเก้าเช้าโมง ก, กว่ากว9 0เกแล้วก็มาแ่งแขนรู้สึกตัวแสงเขนได้พันครั้งถ้ไปอาบน้ำบริหารร่างกายเป็นประจำทุกวันมันทำให้มีสติโลกต้านได้ชีวิตของเราอย่าเคลื่อนไหวฟรี เจตนาบ้างเราเดินมาฟีแล้วเราหายใจฟีแล้วเราเคลื่อนไหวมืออะไรฟรีฟีแล้ววันนี้ให้มีสติก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดหัดสักหน่อยก่อนแล้วมันจะเป็นไปเองง่ายง่ายไม่ยากพราหัดไปแล้วอันกรมโรค ก, กรมกบกรมหลงไม่ต้องไปอดไปทนมันจะหมดไปเอง ตรงกันข้ามพอดีไม่มีที่ให้ตั้งเพราะมีความรู้สึกตัวแล้วความโลภความกดความหลงไม่มีที่ให้ตั้งเหมือนเข้าอี้ใบเดียวมีเจ้าของนั่งแล้วเหมือนจิตของเราไม่นควมรู้เป็นเจ้าของกวามรู้สึกตัวเป็นเจ้าของความหลงมานั่งมาได้ถ้าไม่มีตัวรู้เป็นเจ้าของมันเถื่อนนี่กายมันเถื่อนจิตใจมันเถื่อนโสเพณนิจิตจะชิดเลยก็ได้แต่ว่าโสเพณนิจิตสัมโซนไม่ได้ มันจะคิดเลยต้องมีสตคิความรู้สึกตัวแบบนี้ฝึกกนแต่นี้ความรบของโกรธความหลงมันก็ยากกันจิรลสชั้นหยาบหยาเหมือนเปลือกกล้วยเปลือกแรกถ้าไม่ทําลายตัวนี้ได้สักหน่อยมันจะไม่ประเสริฐอะไรอีกคนเรานะี่ยยังก็สกีธาคามีเนี่ยทาลายความโกรธความรูความหลงเบาบางลงถ้ามันโกรธร้อยเปอร์เซ็นี่ยจะสักเจ็ด้าเได้ไหม ถ้าโกรธร0อยเซจากห้าซแล้วก็ปกติถ้ามันโกรธยกัสบางปกมันปกติถ้ามันปกติเลยเป็นพระหรหัตหน้าอยู่ที่ใจไม่ใช่รูปแบบคนผมผมอว่าเหลืองหมายถึงกิจของเรามาเขาวัดกันนังกิจอย่างนี้เําว่าพระเป็นผู้เผยเสริออย่างนี้มันเป็นงานฝึกหัดอย่างนี้แท้ ไม่ใช่ต้องไปพิธีการพระสง์เกิดจากพระราชธรรมมีการปฏิบัติดีเป็นตุนไม่ใช่เกิดจากอุปชาลุงตากเป็นอุปชาเหมันกันแต่สมมุติเอามาสอนเด็กสาวนั่นเนงความรู้พ้นเกิดความหลงม า, งาครับคำถามต่อเรื่องความคิดนี่คิดหลวงตาถามเรื่องความคิดนะครับเวลาเรารู้ว่าเราคิดนะครับบางครั้งเรื่องที่คิดเนี่ยจบไปแล้วถึงรู้เนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้เร็วขึ้นครับหลวงตาครับพันเช็ฐก็ไปมานี้กลับมาปฏิคกลับมา กรรมมหาที่ตั้งอ๋อ oh, กลับมาแล้วเร็วฐานอยู่ที่นี่กรรมฐานที่ตั้งแห่งการกระทําถ้าไม่มีที่ตั้งมันจับมาได้จิตอะ่ะมันไม่มีตัวไม่ตนถ้ามาอยู่นี่มันก็มาเองมันชิดไปกลับมามันคิดไปกลับมาเอาไปมาง่ายทส่ไม่คิดอ่ะมันทําได้ถ้าใหม่ๆง่ายที่คิดไ ป, ดไป ม, ดมันชี้ไปกลับมาอเดินเดี๋ยวมันคีดไปกลับมาเดินอย่างเนี่ยเป็นฐานเป็นที่ตั้งเอาไว้ ฝึกตามผู้เจ้าสอนอย่าไปคมจิตบางคนพอฝึกปั๊จะไม่อยากให้มันคิดมันจะปวดหัวจกเคียดจะง่วงนอนปล่อยมันธรรมดาธรรมดาันชี้ไปไม่เป็นไรกลับมาได้นี่อย่าไปจริงจังกันําเครียดบางคนปฏิบัติทําหน้าบูดบ ด, ดแทนที่จะ ย, ยิ้มแ <c oughs> ย, ย, ย้มแียมใสมันทับมัถูกบันก็ทุกข์ครับปฏิปทาลู่ได้ยากเวลาปฏิบัติธรรมอมยิ้มไว้สักหน่อยหอนน้ต้องทําใจดีใจดีสู้เสือได้ บังค น, นได้ไปเนาะจะไปถูกๆๆๆไหมเนาะกลัวจะผิดบ้างเวลามาชิดอะโอ๊ยไม่อยากคำคิด ท, าดทําทไมมาชิดทําทไมไม่มีคําว่าทําไมปฏิบัติธรรมเนี่ยคําว่าทําไมไม่มีภาษาไทยอันนี้เอาทิ้งเลยไมไไไ่ไม่เป็นไรไปเลยไม่เป็นไรแทนคําว่าทําไมทําไมทำไมจึงว่าเราถ้ามีทําไมมีการบ้านแล้วถ้าไม่เป็นไรเฉลยการบ้านไปแล้วหัดใจหัดใจหนุ่นตครับมีคําถามถามว่าถ้าเรารู้ ว่าสิ่งที่เราทํำมามันผิดแต่เรารู้ว่าเรากําลังทําผิดถือว่าเรารู้หรือไม่ครับทําไมดับเบิลผิดแล้วว่าไม่ผิดแล้วทําผิดซ้ำหนึ่ไม่ใช่โลกแล้วถามว่าจะแก้ไขยังไงนะครับหลวงตาจะแก้ไขยังไงถามต่อก็กลับมารู้อันเดียวอันเดียวหลักเดียวหลวงตาครับคําถามออกทางโลกนิดหนึ่งนะครับถามว่ากราบเรียนถามหลวงตาว่าในภาวะความยากลําบากทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก นะคาดว่าประเทศไทยอาจจะได้รับผลกระทบตามมาอยากทราบว่าชาวพุทธจะนำธรรมะใดมาดูแลตนเองให้พึ่งตนพึ่งทําได้อย่างไรครับพระพุทธเจ้าว่าโอุทาสัมปตาความมันขยันมันเพียกรกัญยามิตตามีแม่บ้านพ่อบ้านเป็นคนดีสำถีมิตาใชยใจเพนย่าสุลุสุดร้อยอารักสัมปตารักษาเป็นอย่าได้ห้าจินสิบ ไม่ใช่มันถึงมาถึงเราจึงแค่ให้เราจับครับมันระวังเอาไว้ตามใจให้เป็นถึงเรายากจนก็ก็ก็ไม่ต้องจนใจยิ่งรักกันยิ่งใหความสามัคคีกันได้คนจนอยู่ด้วยกันเห็นใจกันดีดีนะคนที่หิวเห็นใจคนหิวคนไม่เคยหิวจะไม่เห็นใจคนที่หิวคนไม่เคยทุกข์จะไม่เห็นใจคนที่ทุกข์เวลาเราเคยทุกข์เนี่ยจะเห็นใจคนที่ทุกข์มากหลงตานี่ เคยหิวข้าวเคยทุกข์เคอยอากกันยอดคอยยอดิดทุกที่จุดในโลกคนหนังชีวิตหนังนาะไม่ต้องมาคุยหวอดเข้ามาทุกนาแต่มันดีมันทําให้เราเชื่อมแข็งอย่าตั้งแต่ไม่อ่อนแอได้งไงความทุกข์ทาเราเชื่อมแข็งความหิวความลำบากทาเราเห็นใจเพื่อนแต่เราหิ ว, วเป็นยังไงคนอื่นหิวก็เหมือนเรานะตอนนี่ต้องระมัดระวัง อ, อย่าไปคิด เต้นก่อนเป็นเห็นก่อนเห็นให้เราเตรียมตัวไว้ดีทุกวันเนี่ยระวังไว้อย่าสุดรุยจุดลาใอย่าเป็นเรื่องข้ามาข้าบหนีสามีหามาปัญญาใช้จ่ายปัญญาหามาสามีใช้จ่ายกินเหล้าเมายาเลิกกินเหล้าซาเลิกสูบุหรี่ซะเลิกเทีเท่ยวเตะเล่นร้อนซะธรรมัเราวังช่วยกันอย่างนี้มันจะเท่าไหร่คิดของเราเพียงแต่กินเฉยๆเนี่ย แยน่นี่มันบริโภคมากเท่าไรก็ไม่พออย่างสหรัฐเนี่ยมันเศรษฐกิจล่มเหลวไปดูเขาบริโภคดูต อ, อนตาเขาไปอยู่ น, นั่นสองปีมันไม่เหมือนบ้านเรานะเ่าอย่างเขาไม่เท่าไรดรอกการนจินนะ่ะไม่เท่าไหร่นะครับเนาะครับอย่ากลัวให้ประหยัดนะครับให้ประหยัดขยันด้วยประหยัดด้วยใช้ใจ่ายรักษาด้วย ได้เงินทธนบัตรใช้เงินบาทในประมาทนะอันใช้เงินร้อยอเงินพันมันไม่ประมาทเท่าไหร่อันใช้จิลเลตโน้ตเนี่ยน้ํนาหลวงตาเคยสอนชาวบ้านน้ำไหลยหยดน้ำไหล ย, ย, ย้อยไหลบ่อยๆน้ำก็หมดอันไหลยหยดหยดเนี่ยมันหมดได้นะต้องปิดให้ดีดูรั่ ว, วอย่าให้มันรั่วไปตัพื้นตะเภาเ ก, กันไปประหยัดแต่ว่าบุหรี่ก็อย่าไปสูบเหล้าก็อย่าไปกินหลวงตาครับมีคําถามด้วยมาเลยถามว่า กาบเรียนถามว่าจะแนะนําคนที่เป็นมะเร็งและไม่เข้าใจในการปฏริบัติทำอย่างไรดีคะหลอนตาขอเป็นเพื่อนคนป่วยขอเป็นเพื่อนคนโรคมะเร็งขอเป็นเพื่อนคนเจ็บโออยากเป็นเพื่อนคนพวกนี้มากแล้วก็ติดต่อทางวิบาลไว้หลยลงไปบาลถ้าคนเดียวห้าทีทองก่อนจะจขาดอยากไปเป็นเพื่อนพูกคนประเภทนี้ว่าเพิ่เราเคยตาย เราเคยเจ็บคนที่เก็บคนเคยตายพูดกันคงรู้จักกันได้แต่คนไม่เคยเจ็บเคยป่วยพูดเขาไม่รู้เรื่องหรอกหลงตาพูดกับคนมาปอสงกรานตอย่างพวกเราเนี่ยขออภัยนะมูลคีประกันภัย่ะบริษัทประกันภัยเนี่ยให้มีบุญให้มีเงินด้วยยิ่งใหญ่พวกเราคนที่จะไปดูสมาชิกของเราหลงตาเคยไปดูสมาชิกอ่ะอยู่เชื่อรฐเขามีสมาชิกของเขาเป็นคนบริษัทอย่างเนี้ย เราไปเยี่ยมคนป่วยเรามีประกันชีวิตใช่ไหมใช่ครับเราไปเยี่ยมคนป่วยเขาไปสวดนะมีเจ้าหน้าที่มีสมาชิกมีประธานมีผู้บริหารไปเยี่ยมไปยืนอยู่ข้างเตียงคนป่วยเขาจะพูดแต่คนจีนเขาเป็นจีนเนี่ยสหรัฐนะครับเพหลังป่วยครับไปดูแ <พอ S 1> ล้วก็ชวนเราไป อามีโตโพอามิโตโพอามิตโพอามิโตโพยืนอยู่ข้างซ้ายข้างขว า, ร อ, ารอบๆเตียงสนนคนป่วยก็ดองว่านวดองมอทีเลหน้าชี้ชิดบอกฝังอามิเตอรพุดธโคนี่มาต่สดชื่นขึ้นมาหลวงตาก็ได้แบบเขาครับคนป่วยอยู่โรงพยาบาลจังหวัดล้งตาอยู่ก็ไปสวดแบบบ้านเราพุทธทางสันนัจอามิ ข้าพระเจ้าเสือพุทธเจ้าเป็นชนะสารอื่นของข้าพเจ้าไม่มีทรรมังทางเจ้าเนี้พุทธทางธรรมเพราะสวดบทสำคัญจังอาจารย์ยกมือขึ้นยกมือขึ้นของเงินโลกมาทําบุญหลวงตาไม่ได้มาสวสดทําบุญมามาบอกคนยอดโยมเขาบอกให้ให้เขาขาดทาบุญบ้างเอาเงินมาก็ าาลแล้วงตาก็รับล่ะญาติวันญาติหาสิปีแล้วปรากฏว่าตายเลยอืตอนนั้นแหละตอนนั้นเลยครับเมือ่อ <c oughs> ตายนี่อย่างสดชื่นนะโอจิตสุดท้ายแต่หลวงตาไปมันหน้าหยิกขึ้นแล้วกระโมเขินขึ้นใบหูก็หยิกขึ้นแล้วหน้าซีดพอลวงตาไปสวสพดพุดทธคุณธรรมคุณกุศลทรรมังทางไงปะหน้ายอดนองยิพอถวายทาน เสร็จแล้วที่เลกไม่รู้เรื่องสวดไปสวดไปรู้วตัตารัแล้วให้พรนะนอนตายอย่างสง่างามเลยห oh, รือว่าห้านาทีท้องก่อนใจขาด mm hmm. ไม่ใช่ให้พระดอกเจ้าที่ของขเราไปดูคนป่วยมันจะดีไปอีกที่สุดเลยนะบริษัทประกันชีวิตดังทั่วประเทศไทยอยู่ที่บรดดัมรัตา ก, ก็ไปดูอยู่ร่วม ก, กันกับเขา บ้านของเขา่ะเป็นดีกว่าวัดเลยเอาคนไปไปประเทีศไนเลยเรียกว่าสวนทําไปเลยมีบริษัทดีว่าเพราะนั่นแหละอมรนาพวกเราด้วยนะมีเงินมีบุญนี่เผิมเข้าไปอีกลองดูนะเอาติดโบชั่หน่อยจักสี่คนนะไม่มีอะไรบ้างกะพุทธทางชนังไวยาเมฆข้าพเจ้าถืออพระพุทธเจ้าเป็นศรัทธาศรัทธาอื่นของข้าพเจ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าเป็นศรัทธาเรื้องต้ของข้าพเจ้า กำมังสังางานไปคนป่วยมันจะความแต่งตัวดีสักหน่อยอย่างเนี้ใช้ได้เนี่ยอออเอาให้ใครจะหายไปตลาดบุญอย่าให้อยู่กับพระครับพวกเราบอกบุนกันเราช่วยกันได้ไม่ใช่ไปพร ม, มน้ำมวต์เหมือนเขาสันติเหือนเขาให้เขาคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนั่นหน้าทีทองก่อนใจจะขาดยังมีหวังอยู่นะถ้าใครอยู่ที่ใดล่ะบอกลุงตาด้วยอยากเป็นเพื่อนคนป่วย อดี๋ยนี่พวกนี้ก็จะไปให้ไปเที่ยวตัวลงคนผู้สูงอายุที่บางแค่สอง อ, อ๋อบา้านบัอ่าประมาณสอง <laughs> อยากคือเพื่อนจริงๆเนี่ยถ้าไม่ให้มาก็ไปอยู่กับหลวงตา ก, ก็ได้คนแก่เนี่ยครับมีวัดห้าร้อยหมีกติร้อยพวงหลังอที่ไปรังเข้าเข้าไปตรงซื้ออยากไปเพื่อนคนแก่คนนุ่มก็ได้ไปอยู่ได้เลยเพราะวัดของเราอย่าไปขอญาติอากใคร ถ้าไปวัดที่ลองตาอยู่สโกโตไปได้เลยไม่ต้องขออญาตสไปก็ไปที่มีสำนัก ง, งานต้อนรับอต่ามาอยู่นี่จีบันไปบอกเลยขาจะให้คุณเจอให้พระองค์แล้วคนหนุ่มน่อยก็ไปอยู่ไกลๆหไัไใจถ้าคนเมียยืดหน่อยก็อยู่ใกล้หัวใจเพราะนั้นอย่ามีเจอดจนบ้านอยู่กรุงเทพซักหลังหนึ่งอยู่เชียงพรมซักหลังหนึ่งทุกคนนะเี่ยมน <laughs> มอีกหึงหลงังตาทุกหลวงตาครับเกี่ยวกับเรองการกปฏิบัติอีกนิดนึงนะครับ คิดกับรู้ต่างกันอย่างไรครับหลวงตาตัวรู้กับตัวจิดนั่นแหละถ้ามีจิตไม่มีรู้หรอกตัวรู้คือจิตแหละตัวรู้ที่เป็นตัวรู้ตัวรู้ชื่อชื่อไม่ใช่รูปแบบมีอุปทานะรู้ชื่อชื่อเนี่ยตัวรู้ชื่อชื่อมันทุกข์ก็รู้มันสุขก็รู้มันหลงก็รู้ตัวรู้มันเป็นอะไรไปกับอะไรไปอะไนี่คือฝึกขันจิตแต่ตัวรู้แบบคิดรู้ใครๆก็รู้ได้ ถ้าตัวรูดซื่อเนี่ยไม่เป็นไรว่าคิดอืตรูดซื่อรูดซื่อไม่มีก็ว่าชอบไม่ชอบรูดซื่อมันสุกก็บรูมันทุกข์ก็บรูเนาะก็ตัวรูเป็นอย่างนี้อ่าตัวรูมันเหมือนสารนี่วันตัวตัวรูกลางถ้าสุก็รูงไงอยู่ตรงกลางถ้าทุกข์ก็บรูอยู่ตรงกลางไอ้สุกไปสุกอทุกข์ไปทุกข์อันนี้ไม่ใช่ถ้าสุกก็บรูกปอยู่ตรงนถ้าทุกข์ก็บรูมาอยู่ตรงไหน รู้เราก็รู้เชื่อๆมันไม่ไม่เป็นไม่เป็นผู้สุขไปเป็นผู้ทุกข์นั่นคือตัวรู้ถ้าเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ไปใช่ตัวรู้เดื่องเป็นไปแล้วมันเป็นไหมครับมันสุขก็รู้แล้วมาอยู่ตรงนี้อ๋พอสุครู้ปั๊บก็อยู่ตรงกลางก็เป็นกลางเอ๋อพอรู้ปั๊บก็อยู่ตรงกลางทันทีให้หลวงตาครับกลางกว่ามกลางนี่เท่าในองค์มักมักคือเป็นกวามกลางเนี่ยไม่ใช่เป็นสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่มัก มักเป็นกลางมันโศกก็รู้อกไม่มีใครไม่รู้เขาสุขรู้แต่ไม่เป็นผู้สุขมันรู้ตรงไหนกานที่เป็นผู้สุขมันเป็นผู้รู้เฉยๆตัวนี้เลยไม่เป็นไรนี่เลยภาวะไม่แก่ไม่เฉียบไม่ตายคือภาวะตัวนั้นแค่รู้ก็เข้าตรงกลางก็ได้แล้วนะครับไม่เป็นหลวงตาครับอีกันส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยหลวงตาครับพอโกรธปั๊บรู้จริงนะครับรู้แต่มันก็ยังอยู่ครับมันก็ยังโกรธอยู่ครหลวงตาอ๋อที่แรกก็เป็นอย่างนั้นแหละต่อไปต่อไปก็วันใช่มันจะ ค่อยๆจางคายไปหาดที่แรกจะให้มันเดืดขาดว่ามันวิ่งขับไปแล้วุทธพอบรนทุกลูกของโขดลูกต่อไปมันจะไม่เป็นไปกับอะไรไปมันจะเป็นไปของมันเองค่อยๆหายไปเองอ่าวพอว่าที่รูไม่มีอะไรที่เก้าไปอีกไหมสุดยอดตรงนี้ถ้าเป็นไม่สุดยอดเป็นไปต่างๆถ้ารูหลือสุดยอดเรากจบแค่นั้นมีคําถามยาวนิดหนึ่งค่ะหลวงตาคงเป็นนักปฏิบัติไหมครับถามว่า การฝึกสติเป็นประจำจะทําให้ลดกิเลสได้ซึ่งจะทําให้รู้สึกตัวตลอดเวลาแต่เมื่อไปดูในภาษาบาลีของมรรคแพบว่าข้อ7คือสัมมาสติที่กล่าวถึงสติปฐาน4และข้อ8คือสัมมาสมาธิที่กล่าวถึงการเข้าถึงสมาธิระดับต่างๆเช่นฌานหนึ่งถึงฌาน4คําถามคือถ้าฝึกสติรู้สึกตัวตลอดเวลาจะเข้าถึงสัมมาสมาธิได้อย่างไรครับหลวงตาพูดตั้งแต่แรกว่าถ้ามีสติก็มีศีมใช่ไหม ไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วเขามีสติมันผิดศีลไหมเนี่ยมันชี้ไปก็ไม่ได้ทุกอย่างถ้ามีสติก็ถือว่าลกความชั่วถ้ามีสติก็ทำความดีจิตก็บริสุทธิ์มันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นเบียาไปพร่องพร่อง ก, การลายว่าไม่ชี้เราะรู้จิตัวแล้วก็มาอยู่ตรงนี้สมาธิมันก็มั่นคงไม่ไปเพราะมันหลงไปกลับมาเปลี่ยนเป็นตัวลู่สมาธิสมาธิไม่ใช่ไม่ลู่อะไรนะ สมาธิมันรู้แต่ว่าไม่เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เป็นสมาธิเป็นปัญญาไปด้วย uve. เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้สมาธิมันมั่นอยู่ตรนี่ไม่ใช่ไม่รู้อะไรนะถ้ามันหลงก็รู้สมาธิคือมั น, นแน่วแน่ม่อยู่ที่เขา่าไม่ใช่ไม่รู้อะไรสมาธิมันรู้อยู่เหมือนคนที่เห็นหนังสืออ่านหนางังสือสมาธิอยู่กระป๋านหนงังสือมันรู้อ่านไปรู้รูเหมือนคนออกจากบ้านปิดกุญแจใส่ ใสกุญแจเอากุญแจใส่กระเป๋ารู้ชัดเจนแม่นยําในสมาธิไม่ใช่สมาธินั่งรลับหงหลับตาขับรถรู้สึกตัวอ่านหนังสือรู้สึกตัวทํางานรู้สึกตัวเจ็บเข้าเจ็บ ข, ของรู้สึกตัวกวดบ้านรู้สึกตัวได้ไหมเราขวดบ้านรู้สึกตัวดีไหมไม่ใช่กวดบ้านลราผลเรายากลําบากคนด้านทําำไมลดลงๆไม่ใช่ำทำรู้ตัวกดวดบ้านก็เป็นการดีแล้วรู้สึกตัวสบายล่องถ้วยรู้สึกตัว สักห้ารู้สึกตัวไปสมาธินะครับไม่ใช่สมาธินั่งไม่ดูอะไรเนี่ยพวเย่าไม่สอนนะครับไอ้ทีเจ้าสอนนี้สมาธิไปทํางานทําการครับแม่นยําชัดเจนเน้นในชีวิตประจำวันทุกวันแล้วก็ไปสมาธิตลอดเวลาทุกวั น, นนะมสมาธินะอวดบ้างก็เป็นสมาธิได้บางคนเนะ่ะกระชือกระใจไปเลยทำอะไรยากยา ก, ยากง่า ย, ายเอาโทษคนนั่นโทษคนนี้ไปคนนั่นไปทําโลกคนนี้ทํำไปโลกมันมีสมาธิมันไม่เป็นไรกับลังสมาธิไป หลวงตาครับถามว่าการแยกกายและการแยกจิตจะต้องทําอย่างไรจะถูกต้องครับนม่แน่หลองตาจะบอกว่าอ่านรู ป, อ, นะ อ, ปอ่นนามนะอ่นรูปอ่านนามนั้นเป็นรูปก็เป็นรูปเว ล, ลามันเจ็บเวลามันร้อนเป็นรูปนามไม่เป็นอะไรเวลามันหนาวนเป็นรูปนามไม่เป็นไรใจไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าสอนว่าพระรีบบุคคลถูกลูกสอนลูกเดียว ผดูชนถูกลูกสอนสองลูกถูกกายด้วยถูกใจแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเรามาแยกนี่ยคือหลวงตาบอกว่าเห็นมันเจ็บไม่ใช่เป็นผู้เก็บใช่ไหมคุนถามว่าสนุกเก็บสนุกป่วยอ๋อเป็นเรื่องสนุกได้ไหมเนี่ยมันเจ็บได้เห็นมันป่วยเห็นมันเจ็บสมมติว่ารูปนี่มาหายใจไม่ได้เป็นเรื่องของกายหลวงตาเลยบอกมันใช่เมื่อไรกทิ้งไปซะ แล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เป็นอะไรไม่ใช่อยู่กับจิตไม่ใช่อยู่กับกายเลยอยู่ตรงเหนือไปจิตก็ไม่ใช่อยู่มันเป็นคุณธรรมมันเป็นธรรมมันเป็นธรรมไม่ใช่ไปอยู่กับอันแยกนี่คือแยกนะสมบติร้อนเป็นเรื่องของรูปใจไม่ร้อนได้ไหมหิวเป็นเรื่องของรูปใจไม่หิวไม่ทุกข์ได้ไหมอันนี้แยกแต่เราไม่แยกคื อ, อไรวลาหิวเข้าทุกข์ใจเวลาร้อน ที่กายทุกข์ใจเวลาปวดที่กายปวดาขาปวดแขนมาทุกข์ใจอันนี้ไม่รู้จะแยกถ้ารู้จกแยกมันจะไม่เป็นมันจะไม่ล้อเปอร์เซ็นอย่าง้ำตาขอใครตะขาบมันกัดมันปวดตะขาบกัดมันจะปวดแบบตุตกๆกตกตกกตกคนจะร้องให้เวลามันปวดแล้วก็โดงตกๆๆ เวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงเวทนาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เวทนาไม่เป็นตัวเราเวทนาต้องให้เป็นเวทนาว่าใช่เราเป็นก็แยกอกอกกันกที่มันปวดรอเปอร็นในจิตหสิปอ0มันเยียวจอเลยเก็บไข้ใจป่วยก็มังกัด